45, สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิปุลสมเด็จพระยานสัมวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอาริษ์นายบ พระพุทธเจ้าได้ประทับจำพรรษาที่กรุงโกสัมพีรัตวังสะหรือวัดสัตแต่โดยปกติเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกในชนบทมณฑลต่างๆได้ส่งปฏิบัติเป็นอาจินกิจคือกิจที่ทำอยู่เสมอตั้งแต่ต้นมาท่านได้เล่าถึงพุทธจาริกคือการเสด็จเที่ยวพุทธดำเนินไปของพระพุทธเจ้าไว้สามอย่างคือหนึ่ง เมื่อจะเสด็จจาริกไปในมหามนทนคือในชนบทมันทนใหญ่ต้องใช้เวลามากเมื่อออกพรรสาแล้วได้วันหนึ่งตรงกับการนับของไทยคือวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11อก็เสด็จออกจากที่จำพรรษาในพรรษาที่ผ่านไปใหม่ๆนั้นแล้วก็เสด็จจาริกเรื่อยไปใช้เวลาเก้าเดือนถึงวันเข้าพรรษาใหม่ก็หยุดอยู่ประทับจำพรรษาสอง เมื่อจะเสด็จจาริกไปในมัชฉิมมณฑลคือในชนบทที่เป็นมณฑลขนาดกลางๆางเมื่อออกพรรษาในวันกลางเดือน11แล้วก็ประทับอยู่ที่นั้นอีกหนึ่งเดือนหรือบางทีก็เลื่อนออกพรรษาไปอีกหนึ่งเดือนคือไปออกพรรษาทำปวารณาในวันกลางเดือน12วันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวันแรงหนึ่งถ้ำของไทยจึงเสด็จเที่ยวจาริกไปใช้เวลาแตดเดือนจึงหยุดจำพรรษาส เมื่อจะเสด็จจาริกไปในอันติมนทนมนทนที่เร็จไปกว่าหรือใช้เวลาน้อยกว่าก็ยังประทับอยู่ในนะัที่จำพรรษาจนถึงกลางเดือนอ้ายรุ่งขึ้นตรงกับวันแรงค่ําหนึ่งเดือนอ้ายจึงเสด็จจาริกไปใช้เวลาเจ็ดเดือนก็ประทับจําพรรษาและข้อที่ทรงปฏิบัติเป็นอา จ, จินกิจทั่วไปนั้นก็คือทรงทํำปฏิสันถานธ์ตอนรับอาคันตุ ก, กะ เช่นภิกษุ์ที่มาเฝ้าจากที่ต่างๆและทรงแสดงธรรมตามเรื่องที่เกิดขึ้นและทรงบัญญัติศิกขาบทตามเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เสด็จจาริกไปนั้นถ้าบางคราวต้องการจะเสด็จจาริกไปด่วนๆก็ทรงดำเนินด้วยพระบาทวันหนึ่งเป็นเวลามากๆเช่นมีพระพุทธประสงค์จะเสด็จไ ป, ปโปรดผู้ที่มีอุปนิสัยจะได้ตรัสรู้ธรรมโดยรีบด่วน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 เสด็จออกบินทบาทตลอดจนถึงเสวยพัตตาหารทรงธรรมอนุโมทนาแสดงธรรมเสร็จแล้วขึ้นพระคันทะกุดีคือกุดีที่ประทับแต่ยังไม่เข้าไปข้างในในคำบอกวัดแสดงไว้ว่าปุพพันณาเหตบินตปาตัณจัดเสด็จออกบินทบาทในเวลาเช้า 2. ปัดฉาพัตกิจกิจในเวลาภายหลังพัดคือเมื่อเสด็จขึ้นพระคันทกุดีดังกล่าวแล้ว ก็ประทับเบื้องหน้าพระกันทกุดีให้โอววาดพิสุกสงฆ์ที่มาเฝ้าเสด็จเข้าพระกันทกุดีประทับตามพระประสงค์ทรงใช้ประชานตรวจดูโลกในทุติยภาพ ค, คือส่วนที่สองของวันจนถึงในตุติยภาพ ค, คือส่วนที่สามของวันคือเวลาเย็นเสด็จไปยังธรรมสภาซึ่งมีมหาชนมารอเฝ้าอยู่ก็ทรงสแสดงธรรมโปรดเป็นการยุทธคือเหมาะแก่การ หรือสมัยยุตหมองแก่สมัยเมื่อยุติหรือการก็ส่งบริษัทกลับในคำบอกวัดได้ถูกเป็นบาทขคาถาไว้ว่าสายันะเหตธรรมเทสนันร่งแสดงธรรมในเวลาเย็นสปุริมะยามกิจกิจในยามต้นของราตรีคือแบ่งกลางคืนออกไปเป็นสามยามยามละสี่ชั่วโมงในยามต้นของราตรีนี้ส่ ง, สง ถ้มีพระพุทธประสงค์จะสง์ประทับที่บริเวณพระคันตกุดีภิกษุทั้งหลายก็เข้าเฝ้าทูลถามปัญหาต่างๆบ้างขอกรรมฐ า, านบ้างและให้ทรงแสดงธรรมบ้างได้ประทานพระโอวาทต่างๆตามพูนจนสมควรแก่เวลาภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลลา ก, กลับในตอนนี้มีคําบอกวัด ก, กล่าวไว้ว่าปโทเสภิกุโอวาทังให้โอวาทแก่ภิกษุในเวลาหวัวค่ํา 4มัชฌิมยาม ก, กิจกิจในเวลามัชฌิมยามคือยามกลางของราตรีได้แก่แก้ปัญหาของเทวดาที่แสดงว่าเทวดามาเฝ้าและกราทูลถามปัญหาในตอนมัชฌิมยามในคําบอกวัดกล่าวไว้ว่าอัทรัตเตเยวะเทวะปัญหนังแก้ปัญหาของเทวดาในเวลาครึ่งคืนห้า ปัจฉิมยามกิจกิจนยามท้ายของราตรีแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งเสด็จจงคงคือทรงดำเนินไปและกละับเป็นการผัดเปลี่ยนพระอิริยาบถส่วนที่สองสทรงพนธมส่วนที่สามคือเวลาใกล้รุ่งก็ทรงตรวจตุโลกด้วยพระยานในคำบอกวัดได้ว่าไว้ว่ า, วาปัจจูเสวะกเตกาเล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 คือก่อนเข้าพรรษาครั้งหนึ่งเพื่อเรียนกรรมฐานและออกพรรษาครั้งหนึ่งเพื่อกราบทูลคุณที่ได้บรรลุและเพื่อเรียนกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปเพราะในตอนนั้นได้มีระสาวกมากขึ้นและได้จำพรรษาอยู่ในชนบทต่างๆมากด้วยกันจึงได้มีนิยมถือเป็นอาจินวัตว่าในปีหนึ่งก็หาโอกาสมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยปกติก็สองครั้งและทมาไม่ได้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 พระเจ้าประส e ิ t ทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองรัฐวังศัหรือวัดศักด์เมืองหลวงชื่อว่าโกสันทีพระเจ้าอุเทนทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองรัฐอวันตีเมืองหลวงชื่อว่าขุดเชนีพระเจ้าปัตโชตทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองรัฐทั้งสี่นี้มีข้อบาทหนางกันในบางครั้งแต่ก็กลมเกลียวกัน หรือว่ายับยังย้งไม่รบพุ่งกันได้ในบางครั้งเพราะมีความสัมพันธ์กันในทางอภิเศกสมรสเช่นพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงได้พระกนิษฐภัินีของพระเจ้าประสิทธิไปเป็นพระมเหสีพระเจ้าประสิทธิก็ทรงได้พระกนิษฐภัินีของพระเจ้าพิมพิสารไปเป็นพระมเหสีพระเจ้าปัจรโชนั้นในตอนแรก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 คือโคสกะเศรษฐีหนึ่งกุกกุตะเศรษฐีหนึ่งปาวาริกะเศรษฐีหนึ่งเศรษฐีทั้งสามนี้ได้มีความเลื่อมใสในดาบทขณะ1หนึ่งว่ามีจำนวนถึงห้าร้อได้อารัตนาดาบทเหล่านั้นมาพักจำพรรษาอยู่ในกรงโกสัมพีเศรษฐีทั้งสามก็ผลัดกันทันุบมรุงต่อมาดาบททั้งห้าร้อยนั้นได้ทราบการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า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 ก็คือประวัติของพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนนี้มีพระราชประวัติที่โลดโผนและแปลกเมื่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ปรากฏเป็นชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งควบคุมช้างป่าเป็นอันมากมาล้อมเมืองโกสัมพีและได้อ้างว่าเป็นพระราชาโอรสของพระเจ้าปรันตปะซึ่งได้สิ้นพระชนไปได้แสดงหลักฐานคือผ้ากำพลแดง กับพระธรรมรงค์ของพระเจ้าปรันตปะเสนาบดีและประชาชนเมื่อได้เห็นวัตถุสองอย่างนี้ก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าอุเทนเป็นพระราชาโอรสของพระเจ้าปรันตปะที่ได้ถูกนกนําพาอาไปพร้อมกับพระเทวีเมื่อพระเจ้าอุเทนยังอยู่ในพระคันและเมื่อมีความเชื่อในหลักฐานดังนั้นก็รับรองอภิเศษพระเจ้าอุเทนเป็นพระราชาของแควนั้น เหตุที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าอุเทนยังอยู่ในพระคันนั้นมีเล่าไว้ว่าพระเจ้าปรันตปะซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอุเทนกับพระเทวีซึ่งมีพระคันแก่ได้ประทับทรงสํำราญอยู่บนชั้นบนของปราสาทพระเทวีได้ทรงผ้ากําพลสีแดงและในขณะที่ได้ประทับนั่งทรงพระสํำราญอยู่นั้นพระเทวีก็ได้ทรงถอดพระธรรมรงออกจาก พระราชอังคุลีนิ้วมือมาส่งสูงกับนิ้วพระหัตถ์ของพระนางเองในขณะนั้นได้มีนกใหญ่ชนิดหนึ่งเรียกว่านกหัสดีริคือใหญ่โตเหมือนอย่างช้างได้บินมาเห็นพระเทวีทรงกําพลแดงก็คิดว่าเป็นชิ้นเนื้อก็บินโฉบลงมาเชียวเอาพระเทวีไปพระเทวีก็ได้เข้าไปอยู่ในกรงเล็บของนกแต่ก็ทรงฉลาด ที่ไม่ส่งร้องขึ้นพระทรงเกรงว่านกจะตกใจในเสียงมนุษย์ก็จะปล่อยตกลงมาทรงยอมให้นกนําไปจนถึงข่าคบไม้ต้นไซใหญ่นกก็ลงจากที่ขาคบไม้นั้นซึ่งเป็นที่เคยจับเอาสัตว์มากินมีกระดูกทิ้งอยู่เกลื่อนต้นพระเทวีก็ได้ส่งร้องขึ้นปรกพระหัตนกก็ดีนเสียงตกพระหัตและเสียงร้องของคนก็ตกใจบินหนีไปในค่ำวันนั้น ก็ต้องอยู่บนคาคบไม้นั้นและทรงประชวนพระคันฝนก็ตกหนักตลอดคืนพรั้นเวลารุ่งอรุณพอดีฝนก็หยุดพระนางก็ประสบ พ, พระโอรสจึงได้ประทานพระนามว่าอุเทนหมายถึงเวลาอารุณ์ขึ้นในที่นั้นได้มีอาสมของดาบทองค์หนึ่งอยู่ไม่ไกลและดาบนั้นก็เคยมาเก็บกระดูกไปต้มฉันในเวลานั้นเมื่อดาบท มาเก็บกระดูกตามเคยก็ได้ยินเสียงเด็กร้องเมื่อมองขึ้นไปเห็นและก็ได้ไต่ถามแล้วก็รับเอาพระเทวีและบุตรไปเลี้ยงดูไว้ดาบทนี้ชื่อว่าอัลกัปปะดาบทเคยเป็นราชาของอัละกะรัตเมื่อมีพระชนมากขึ้นก็มีความนายในราชสมบัติจึงได้สลัดราชสมบัติสเสด็จออกทรงบวชเป็นดาบทมีความรู้มนกรรมใจของช้าง และมีพินวิเศษอยู่อันหนึ่งเมื่อดีดพินและร่ายมนบทหนึ่งช้างที่พากันมาก็จะวิ่งหนีอย่างเหลียวหลังเมื่อดีดพิน อ, น, นอีกสายหนึ่งและร่ายมนอีกบทหนึ่งช้างก็จะเหลียวหลังมาดูเมื่อร่ายมนอีกบทหนึ่งและดีดพินอีกสายหนึ่งช้างที่เป็นจ่าฝูงก็จะเข้ามาหาและคอยยอมให้ขึ้นนั่งบนหลังได้พร้อมทั้งจะเรียกช้างที่เป็นบริวารให้มาและฟังคําสั่งทุกอย่างว่า จะให้ไปทางไหนเมื่อพระกุมารเติบโตขึ้นในคราบหนึ่งพระดาบุทก็ได้ดูดาวนั ก, กษัตริย์ก็ได้ตรัสขึ้นว่าพระเจ้าปรันตปะกรุงโกสัมพีซึ่งพระชนเสียแล้วพระเทวีก็ทรงกันแสงพระดาบุตจึงถามพระเทวีก็ได้ทรงเล่าความให้ฟังและก็ได้แสดงว่าพระโอรสควรจะได้พระราชสมบัติ พระดาบทก็รับที่จะจัดการให้สาเร็จให้จงได้จึงได้สอนมนกัมโหจฉ้างทั้งสามบทนั้นให้แก่พระราชกมุมารและได้มอบผินให้เมื่อพระราชกมุมารได้ทรงเรียนจบแล้วก็ทรงได้ทดลองมนทั้งสามบทและดีปินทั้งสามสายนั้นเป็นที่ประจักษ์ผลดังกล่าวแล้วนั้นพระเทวีก็ได้ทรงมอบผ้ากําพลแดงและพระธรรมรงให้ พร้อมทั้งส่งบอกชื่อของเสนาบดีเป็นต้นแก่พระราชกุมารเพื่อนําไปแสดงหลักฐานว่าเป็นพระราชโอรถของพระเจ้าปรันตปะจริงพระราชกุมารจึงได้ทรงนําหมู่ช้างป่ามาล้อมเมืองและทรงแสดงหลักฐานจนได้รับรองให้อภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินของแค ว, ว้นวังสระได้เล่าพระราชประวัติของพระเจ้าอุเทนพระราชาแห่งวังสระรัฐมาแล้ว จะเล่าถึงพระมเหสีทั้งสามพระองค์ของพระเจ้าอุเทศเพราะมีเรื่องที่เกี่ยวพันอยู่กับประวัติพระพุทธศาสนาด้วยพระมเหสีองค์ที่หนึ่งพระนามว่าสา ม, มาวดีเป็นทิดาบุญธรรมของโคสกัจเศรษฐีพระนางสา ม, มาวดีองค์นี้เป็นทิดาของเศรษฐีในเมืองพัทธวตีแต่ภายหลังเศรษฐีตะกูนี้ถึงวิบัติ ในตอนสุดท้ายก็วิบัติด้วยโรคซึ่งเรียกในคำพีว่าอะฮวาตกะโรคโรคอย่างนี้มาเกิดขึ้นกล่าวว่าพวกมแมลงวันมแมลงต่างๆและหนูตายก่อนจนถึงพวกไก่สุกรและสัตว์ใหญ่ๆที่เป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ในบ้านจนถึงคนผู้ที่ต้องการจะรอดพ้นก็จะต้องทิ้งบ้านเรือนหนีไปที่อื่นเมื่อโรคเกิดขึ้น เศรษฐีในเมืองพัตวตีนั้นพร้อมกับภรยาและธิดาก็มีไปกรุงโกสัมพีเพื่อจะไปอาศัยโคสกะเศรษฐีซึ่งเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นกันคือต่างได้ยินชื่อเสียงของกันก็ส่งบรรณาการไปให้แก่กันนับถือกันแต่เศรษฐีกับภรยาได้ถึงแก่กรรมที่สลาพักคนที่กรุงโกสัมพีจึงเหลือแต่ทิดาธิดาของพัฒวตีเศรษฐี ได้ไปขออาหารที่โรงทานของโคสกะเกษ ธ, ธีได้พบกับผู้จัดการโรงทานชื่อว่ามิตรกุลุงพีเมื่อผู้จัดการโรงทานได้ถามทราบเรื่องก็รับเอาทิดาของพัทวตีเศรษฐีไปเบี้ยงเป็นบทเรียนบุญธรรมโรงทานของโคสกะเกษฐีนั้นโดยปกติมีเสียงอื้ออึงพระคนแย่งกันขา้าแย่งกันออกธิดาของพัทวตีเศรษฐี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 จึงได้รับเอานางสามาวดีไปประกาะเป็นบุตรีบุญธรรมเพราะเป็นทิดาของเพื่อนต่อมาเมื่อถึงวันมหรสศกที่เป็นธรรมเนียมว่ากุลธิดาที่โดยปกติไม่ออกไปข้างไหนก็จะออกไปอย่างใ น, น้ําและอาบน้ำเล่นน้ำเป็นการเล่นมหรสศก พ, พระเจ้าอุเทนใจทอดพระเนตรเห็นก็ทรงเกิดความิเนหาทรงขอเข้าไปทรงตั้งไว้เป็นพระมเหสี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 ได้ทรงมีมนที่เรียกช้างได้และมีพาหานะแข็งแรงมีกําลังมั่นคงการยกกองทัพไปตีจำไม่สําเร็จและก็ได้ทูลและอุบาให้ว่าพระเจ้าอุเทนทรงโปรดช้างเพราะฉะนั้นก็ให้สร้างช้างยนต์ให้ใหญ่และให้มีคนอยู่ในท้องได้แล้วชักช้างยนต์นั้นให้เดินไปเดินมากับวางกําลังคนซุ่มไว้พระเจ้าปัดชด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 พระเจ้าป in ัดโชดก็เสด็จมาที่คุมขังและได้รับสั่งว่าจะปล่อยแต่ให้พระเจ้าอุเทนบอกมนให้พระเจ้าอุเทนกระทูลว่าจะบอกถวายได้แต่ว่าพระเจ้าปัดโชดต้องทรงไหวครูซะก่อนพระเจ้าปัดโชดก็ไม่ทรงยอมที่จะทรงไหวพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็ไม่ทรงยอมบอกมนให้พระเจ้าปัดโชดก็ตรัสว่าถ้าไม่บอกก็จะฆ่า พระเจ้าอุเทนก็ทูลตอบว่าข้าก็ข้าเพราะพระเจ้าปัทโฉดนั้นในบัดนี้ก็ทรงเป็นใหญ่แห่งสรีระกายแต่ว่าก็ไม่ทรงเป็นใหญ่ของจิตพระเจ้าปัทโฉดจึงได้ทรงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะให้พระเจ้าอุเทนทรงบอกมนได้ทรงนึกถึงพระราชติดาก็รับสั่งขึ้นว่าในพระราชวังนี้ได้มีผู้หญิงหลังข้อมอยู่คนหนึ่ง จะให้หญิงหลังข้อม น, นี้มาเรียนมนและก็จะให้วาวแต่ว่าก็จะต้องกั้นม่านไว้ให้เรียนกันอยู่ภายในม่านพระเจ้าอุเทนก็ทรงยินยอมพระเจ้าปัดโชษก็เสด็จไปหาพระราชธิดาและได้ตรัสบอกว่าได้มีบุรุษง่อยเปลี่ยจนถึงกับต้องเดินถัดไปเหมือนอย่างหอยสังเดินอยู่คนหนึ่งรู้มนจักช้างจะให้พระราชธิดา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 จะอุทเทนคกลีวก็รับสั่งขึ้นว่าป่าของเจ้าหน้านักจะท่องบนมนเท่านี้ก็ไม่ได้เจ้านานงขอมพระราชธิดาก็เรล้ยวพระถูกเรียกว่าคอมก็รับสั่งขึ้นว่าเจ้าคนโรคเรื้อนทำไมจึงมากล่าวเช่นนี้เมื่อต่างเคลียวซึ่งกันและกันอย่างนี้แล้วก็เลิกมานขึ้นและเมื่อต่างทรงเห็นซึ่งกันและกันก็เลยเกิดเรื่องอื่นขึน้นแทนเรื่องการเรียนมน ก็เป็นอันยุติลงเพียงแค่นี้มนจับใจช้างนั้นไม่เหมือนอย่างมนที่จับใจคนเรื่องนี้ได้มีพระพุทธภาษิตรตรัสไว้ว่ายังไม่ทรงเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะที่จะครอบงำจิตวุรุษได้ยิ่งไปกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะของหญิงและในทางตรงกันข้ามก็มีพระพุทธภาษิต ตรั่ไว้อีกว่ายังไม่ทรงเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะอื่นที่ครอบงำจิตของหญิงได้ยิ่งไปกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะของบุรุษเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้พระเจ้าอุเทนกับพระานางวาสุลตตาก็คิดอ่านที่จะพากันหนีเมื่อพระราชบิดารับสั่งถามว่าเรียนมนต์ไปได้แค่ไหน พระราชธิดาก็ทูลว่าเรียนไปได้เท่านั้นเท่านี้และเมื่อจะจบมนต์จำจะต้องไปเก็บโอสถตามสัญญาของดาวฤกษ์เพราะฉะนั้นก็ขอพระราชาทานพาหนะช้างฝีเท้าเร็วกับขอพระราชาทานอนุญาตที่จะออกไปนอกเมืองได้ทุกเวลาพระราชบิดาก็ทรงอนุญาตต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าปัดโชตเสด็จออกไปประพาสภายนอกเมือง พระเจ้าอุเทนกับพระนางวาสุลตตาก็ขึ้นพาหนะช้างพากันหนีไปและได้บรรจุเงินบรรจุทองใส่กระสอบขึ้นชานไปด้วยเมื่อพระเจ้าปัตรโชต ส, งส่งทราบทรงสั่งให้ทหารติดตามพระเจ้าอุเทนก็ทรงเทกระสอบเงินและต่อมาก็ทรงเทกระสอบทองลงพวกผู้คนก็พากันแย่งเงินแย่ ง, ยงทองพระเจ้าอุเทนก็หนีอกไปได้จนเข้าถึงเขตเมืองโกสัมพี และก็ได้ทรงตั้งพระนางวาสุรัตตาเป็นพระในเฮสีอีกองค์หนึน่งองค์ที่สามชื่อว่ามาคันธยาองค์นี้มีเรื่องเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนามากเป็นธิดาของพราหมณ์ในรัฐ ก, กุรุปอยู่ใกล้กันนั้นและท่านแสดงว่านางมาคันธยานี้มีรูปร่างงดงามมากบิดาไม่ปรารถนาจะยกให้แก่ใครต้องการจะยกให้บุคคลผู้ที่มีลักษณะ เป็นมหาบุรุษต่อมาบิดาได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จไปอย่างแคว้นปุรุนั้นได้เพ่งพิจิตรลักษณะเห็นว่าประกอบด้วยมหาบุริสลักษณะก็มีความเลื่อมใสและปรารถนาที่จะยกลูกสาวของตนถวายจึงได้ทูให้ทรงทราบความประสงค์ของตนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าอย่างไรฝ่ายพราหมณ์ก็รีบไปชวนนางพรามณีผู้ภรรยา กับทิดามายัางที่ที่ได้พบพระพุทธเจ้านั้นแต่ว่าไม่ได้พบพระองค์ทรงยืนอยู่ณที่นั้นพบแต่รอยพระบาทพรางก็บอกแก่นางพราหมณีผู้ภรรยาว่านี้แหละเป็นรอยเท้าของบุรุษผู้นั้นนางพระมณีได้พิจารณาดูรอยเท้าก็เห็นว่ารอยเท้านี้ไม่ใช่รอยเท้าของบุคคลผู้บริโภคกามจึงได้บอกกั่พรางผู้สามี พร้อมได้แสดงลักษณะของรอยเท้าไว้โดยความว่ารอยเท้าของคนที่ยังมีราคะเป็นรอยเท้าประยงรอยเท้าของคนที่มีโทสะเป็นรอยเท้าที่มีลักษณะส้นบีรอยเท้าของคนหลงมีลักษณะที่กดลงส่วนรอยเท้าเช่นนี้เป็นรอยเท้าของคนที่มีหลังคาเปิดหมายความว่าเป็นคนสิ้นกเิเลสแล้วแต่ว่าพระม่เชื่อ จึงได้พยายามเดินตามหาก็ได้พบพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในที่อีกแห่งหนึ่งที่ใกล้กัดก็ได้กราบทูลว่าได้นำทิดา ม, มาถวายพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสที่ท่านแสดงไว้โดยปุทธาธิฐานว่าได้ทรงเห็นนางปัญหานางอรดีนางราคาซึ่งเป็นทิดามาผู้งดงามอย่างยิ่งก็ยังไม่ทรงพอพระหฤทยัย จันไหนจะมาส่งพอพระหารุไทยกับนางทิดาของพราหมณ์นี้ซึ่งเต่งไปด้วยมูดและกรีนางมาคังธิยาซึ่งเป็นหนึ่งทิดาของพราหม์ได้ฟังดังนั้นก็มีความโกรธและผู้อาฆาตในพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นด้วยคิดว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงประสงค์นางก็บอกว่าไม่ายตรงกาศฉันไหนจึงจะมารับสั่งว่าเต่งไปด้วยมูดและกรีฝ่ายพราหมณ์และพราหมณี ซึ่งเป็นบิดามารดาของนางได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็ได้ขอบวชเป็นพิสุและพิสุณีแต่ก่อนที่จะบวชก็ได้ฝากนางมาคันธียาไว้กับลุงชื่อว่ามาคันธียะต่อมามาคันธียะผู้เป็นลุงก็ได้นํานางมาคันธียาไปถวายพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็ทรงรับไว้เป็นพระมเหสีอีกคน ติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป